พิสูจน์ศพคุณสุทธิชัยชินสุวะพลาคุณภัยบูร์ธรรมซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่133่ทับสถนนวิสุทธรริัตริย์กรุงเทพมหานครเป็นเพื่อนสนิทกับคุณสุธิชัยชินสุวะพลา